เรื่องลักเสนาสนะของสงเจ็ดเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทัยจิตได้ลักเตียงของสงแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทรงาบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่หนึสมสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทยจิตได้ลักตั่งของสง